8. สหธรรมมิการวัค 3. โมหณะสิกขาบทว่าด้วยการทำให้ผู้อื่นหลงเรื่องพระชัพะคี 443. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกพิสุชัพพะคีประพฤติไม่สมควรแล้วตั้งใจอยู่ว่า ขอภิกษุทั้งหลายจงทราบว่าพวกเราต้องอบัตเพราะความไม่รู้เมื่อภิกษุยกปฏิโมกขึ้นแสดงอยู่ก็กล่าวอย่างนี้ว่าพวกกระผมเพิ่งทราบเดียวนี้เองว่าทราบว่าธรรมแม้นี้มาในพระสูตรอยู่ในพระสูตรมีการยกขึ้นแสดงทุกกึ่งเดือนบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉนาพวกภิกษุฉะะับีเมื่อภิกษุยกปฏิโมกขึ้นแสดงอยู่จึงกล่าวอย่างนี้ว่า พวกกระผมเพิ่งทราบเดียวนี้เองว่าทราบว่าทำแม้นี้มาในพระสูตรอยู่ในพระสูตรมีการยกขึ้นแสดงทุกกก่งเดือนครั้นภิกษุทั้งหลายตำหนิพวกพิสูจน์ชาวพาคีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ